แสดงว่าเรายัางรู้ไม่จริง ffe? กายจิตเนี่ยเขาแสดงทุกข์ให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆแต่เราก็ไม่ได้สัมผัสไม่ได้เข้าถึงออกถึงใจจริงเราก็ยังยึดมั่นถือมั่นมาอ๋อเนี่ยมันเป็นเรานะเป็นทุกข์ของเราเกายจิตเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา ท, ทั้งท้งที่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราแล้ ว, ลวก็เข้าใจท่านจึงแนะนาว่า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 แล้วก็ไปเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ซึ่งนอกเหนือจากการเจริญสติเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นการเจริญสติเนี่ยก็คือการมีสติรู้ลงไปที่กายที่จิตเฉพาะหน้าปัจจุบันเฉพาะหน้านรู้ตามที่มันเป็นจริงนไม่ต้องทำอะไร <S <S เพียงแต่ว่ามีสติและลึกรู้ลงไปที่กายที่จิตรู้ลงที่ปัจจุบันที่มันมีมันเป็นเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญสติแล้วบางทีเราต้องอาศัยรูปแบบบ้างารูปแบบของการเจริญสติมันก็มีเยอะบางทีเราก็ไม่ต้องอาศัยรูปแบบก็ได้ถ้าคนที่ชนานาญแล้วแต่ขอให้เรามีสติกันแล้วกันเช่นว่าเราเคลื่อนไหวพลิกมือแล้มีสติรู้ยกมือแต่ละครั้งให้มีสติรู้จะ ก, ก้าวขาแต่ละก้าวก็ให้รู้สึกรู้ตัวว่ากาลังก้าวนะ เวลาจะเลี้ยวซ้ายก็ให้รู้สึกแลขวาก็ให้รู้สึกจะก้มก็รู้สึกจะเงยก็รู้สึกกลับพิภตาอืมก็รู้สึกจะกลืนน้ําลายก็มีสติรู้สึกนะรู้ในอิริยาบถย่อยๆอย่างนี้แหละเพราะกายเรามันต้องมีการเคลื่อนไหวก็มีสติตามดูตามรู้ไปหรือบางครั้งจิตใจมันคิดมันนึกเป็นในเรื่องความพอใจ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 อันเนี้ยแสดงว่าปล่อยจิตปัใจจยให้ติดลมจมปลักไปความโกรธอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้แต่ผู้ที่มีสติเนี่ยอ๋อการคิดใครครวญเนี่ยมองเห็นทุกทนความโกรธก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยจิตปัใจจยให้มันโกรธให้มันหงุดหงิดแต่ถ้าเรามีสติมีสติรู้สึกตัวเห็นความโกรธมันโกรธมันเกิดความไม่พอใจหงุดหงิด เขมีส ต, รนะ ต, ติรู้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะโดยที่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปช่วยละแค่รู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเลยรู้แล้วทิ้งไปเลยรู้แล้วก็วางเลยแลฝึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยสติมันก็เคยทิ้งที่จะรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางมันง่ายเนี่ยความพอใจก็เหมือนกันที่เป็นความโลภ อ, อยากได้นู้นอยากได้นี้เมื่อมีสติรู้ทันเนี่ยมันก็สามารถเทศ ปล่อยมันผ่านไปได้คนขาดสติเนี่ยเมื่อเกิดความอยากอยากได้อะไรสักอย่างหนึง่งมาเกิดความอยากขึ้นในจิตปับ๊บจิตก็คุ้นคิดทําอย่างไรนาะจะได้สิ่งนี้มาเป็นของเรามันสวยนี้เนี่ยของใหม่ๆต้องหาเงินเพื่อจะมาหาซื้อมันไม่มีเงินก็เขยิบเขยืมปรุงแต่งติดลมจมปลักไปกับความอยากได้อยากมีอยู่นั่นแหละ อันนี้คือผู้ที่ขาดสติไม่รู้ตัวแต่คนมีสติมันก็ดีกึ้มาอีกขั้นหนึ่งอ๋อพิจารณาใครครวนดูโอ้อย่าไปอยากมันเลยสิ่งเหล่านี้เราก็มีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นหรอกความอยากมันก็มีเที่ยงหรอกมันไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงก็คิดไปก็ยังดีกว่านะดีกว่าที่จะจะปล่อยจิตปล่อยใจให้ตกจมอยู่ในความอยากคิดแต่บางทียิ่งคิดก็ยิ่งอยากนะแต่ถ้าคนจเจริญสติ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 เห็นแจ้งแล้วว่าโอกายเนี่จิตนี่มันเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราสามารถจะปล่อยวางมันแล้วก็ทําจิตให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้พอเราเจริญสติมากๆมันก็เกิดปัญญาเข้าใจเข้าถึงจิตถึงใจแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ต้องไปเชื่อผู้อื่นเนี่ยมันพ้นทุกข์ได้เนี่ยอย่างตอนเนี้ยเนี่ยทุกท่านนี่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ถ้าไม่มีความทุกข์เนี่ยธรรมะไม่จําเป็น ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่เรามีความทุกข์เราต้องปฏิบัติฝึกหัดเอาไว้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของเราในยามที่มีความทุกข์มาเยือน